แล้วมีมาเป็นประจําโลกดีวันม า, มาไม่ขาเเรื่อยมาถึงปัจจุบันคนทั่วคนมาไม่ขาดจนถึงปัจจุบันท่าดีท่าทั่วคนเรื่อยมาถึงปัจจุบันเราจะต้องใช่ยังไงบ้าง ดีสุดยอดก็ามมาั้งแต่เดือนกุนมภันกลางยังไห น, หนจนถึงบัดนี้ชั่วยอย่างสุดสุดแดงก็มีมาความชั่วมากก็คือความทุกข์มากถึงขั้นมหันจะทุกข์ความดีมากก็คือความสุขมา ก, กามคือขั้นเดินมาสุด ก่อนจิตใจกายวาจาของเราจะเอียงเลียงรางไหนพึ่งคำหนึงในดีและชั่วทั้งสองยานได้ลืมหรืออย่าลืมกูไม่ว่าสมัยใดความชั่วต้องเป็นความชั่วให้ผลเป็นทุกขสมอมาความดีต้องให้ผลดีเป็นความสุดเรื่องตอบแทนสมอมาจนกระทั่งสมบัตนี้ไม่มีผู้ใด หรือโลกใดจะสามารถลบล่างพ้นอันเกิดจากความดีและชั่วนั้นได้ถ้าตนไม่ลบล่างหรือตอนไม่ดีเสียในการกระทำความดีและชัว่วนั้นพนจะดยุดไปไม่ได้จะตั้งไป ก, กี่กับกี่กันก็ตามโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเท่า น, นี้จะเป็นไปนานแสนนานเท่าไรเรื่องทํานองที่กล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกัน ไ, ไม่มีอย่างอื่นไ ม, มใครสามารถท ด, ดล้างได้เราจะเอาท่านผู้ดีเป็นครูหรือจะเอาอะไรเป็นครูเวลานี้เราบวชคดคิดตนเพื่อท่านผู้ดังนี่เป็นหลักที่เราจะต้องคิดไม่หมากพุทธทางธรรมังขังนังขฉามิไม่ใช่คนมีจิตเลสหาปัญญาอยา่าง ทำตามความชอบใจของตดแต่เป็นท่านผู้บริจุทธกายเป็นธรรมทั้งแท่งทั้งสามประโค์รวมกัเนเนี้ยเป็นธรรมทั้งแท่งเจคีปุโตปุตัมปนักกะตะโดยหลักธรรมชาติแล้วทั้งสามนี้เป็นอันเดียวกันอยู่ธรรมทั้งแท่ง การจะพฤติการพิเรียนกัญชาที่คอยคุดล่าอยู่นั้นได้ผลอย่างไรบ้างเรามาทดสอบดูอยู่เสมอบวกลบดูอยู่เสมอ ด, ด้วยการปฏิบัติของเราทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวของธรรมชาตินี้เพราะไม่นอกเนื้อไปจากตัวของเราเองผู้คิดอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ไหนก็คุณกับบาปก็อยู่กับเราเพราะการทําดีและชั่วอยู่กับเราไม่ว่าที่แก่ทีรับไม่ว่าที่ไหนไหนในน้ําบนบกรพยาบททุกสีมีอยู่กระตัวของเราในบรรดาความดีและชั่วมันจะยังผลไม่เป็นสุ่งไดทุกที่ไหนไม่นอกเหนี่ยวไปจับตัวเราคําสั้นๆของพระพุทธเจ้าสั้นก็มาสู่ตัวของเราทั้งนั้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวของเราแล้วเราจะหวังเรามักผลมีทางความสุขควางเวีจากอะไรเรียนมาวันยังคำก่อนหมดน้ําลายไอปากคอปากไม่เกิด ป, ประโยชน์ทั้งการปฏิบัติต่างต่จําชื่อบาปชื่อบุญจําชื่อกิเลสปัญหาได้สักกี่พันตู้คำพีก็จำเถิดถ้าไม่ตั้งใจจะแก้กิเลสปัญหาตัว เป็นภายในจิตใจของเราอยู่ภายในใจนีแล้วจะไม่มีวันพ้นจากความชั่วทั้งหลายนากะการศึกษากับครูกับอาจารย์มาก็นา น, ววนพอสมควรพอจะได้ชติสตางเป็นข้อติถ้าสนใจสทินอกจากไม่สนใจแบบคำยู่กับแกง ไปกี่ร้อกี่พันตัวาการาข้าไปถึกก็ทำนองทับทืออยู่นั่นจะโดดลงหม้อไหนถ้วยใดก็โดดลงไปถึกมันไม่เคยประโยชนอะไรเพราะไม่มีความรู้สึกที่จะรัรบรสต่างๆได้เหมือนลิ้นลนมีจังลงที่ไหนรู้คนที่มีความคิดความตุงความอ่านมีสติปัญญา มีความติดต่อมีความสนใจอยู่บ้านก็อยู่ในสถานที่ใดควรจทราบเรื่องดีและชั่วและพอจะยึดเป็นสติเครื่องเสริมเกนไกลเป็นไ้ามาไปแบบทัพทีแต่จะเป็นทัพทีก็ดีอย่างหนึ่งแม้จะสร้างความเด็ดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นใดแต่เรานั้นไม่ใช่ทัพทีแบบนั้นมันทัพทีแบบสังหารตัวเองแล้วก่อความเด็ดด้อนให้คนอื่นด้วยเพราะทัพทีนี้มัมีความรู้สึก ไปในทางดีมันไม่อยากจะไปมันไม่รับไม่รับรถของพระสัทธธรรมไปทางชั่ววันนังคําเยื่อมรับทั้งวันทั้งคืนายไปด้วยกันมีี่มันต้องผ่า น, น, นรับแค่ก็แล้วเวลาเนี้สศาสนาอยู่กับคนคนประพฤติปฏิบัติตัวให้รับแค่แล้วก็ไม่มีทางเลย เราอยากเข้าใจว่าศาสนาจะอยู่กับคำพูดใบาลานศาสนาที่แท้จริงอยู่กับตัวของเรานั่นทำ จ, จุดใจเรื่องความดีความชั่วของคนลงกับในคำพูดใบาลานอ่านก็อ่านเข้ามาหาตัวของคนคำพู์ใบาล า, น ไ, ไไบาำำนไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรตัวคนไม่ไปทาบาปทำกรรมเมื่อตัวขงเราทําตัวให้คลาบแคบศาสนาคลาบแคบทําตัวให้กว้างวัง ศาสนากว้าข ง, งขวางขึ้นดีใจยิ่งแย่จังสายเบิดบานรู้จักบินบักรู้จักแต่อะไรเป็นกิเลสปัญหาอะไรเป็นอัตดเป็นถังที่ที่คนจะฝืนก็ฝืนทิ่ที่คนจะแก้ก็แก้ต่างที่ที่ควรจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้มีหลักของนักปฏิบัติหลักของานสนาขั้นตอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้การยากลําบากนั้นไม่ว่าจะทํากิดการงานใดทั้งทางโลกและธรรมต้องฝืนด้วยกัน เพราะเหตุผลบังคับให้ต้องทําไม่ทําไม่ได้ความเป็นอยู่ของบุคคลและสัตว์ต้องเป็นอยู่ด้วยการทําสัตว์ที่หากินก็เรียกว่าเขาทํางานเช่นเดียวกับมนุษย์แต่เราไม่ชื่อว่าเขาทำงานเท่านั้นไม่ยกแต่ถามมนุษย์ว่าทางานยุ่งเรืองอย่างนั้นอย่างนี้สัตว์มนมษยี้ท้องขี้ปากมันก็มีท่องเดียวปากเดียเหมือนกับคนคนก็มีท่องเดียวปากเดียวเหมือนกับสัตว์ทํามาชิ้นยุ่งยากวุ่นวายกัน มากเพรามาลาามัางนาเพราะมันไม่ตะเกียงแต่ปากแต่ฟ อ, องปากตัวใหญ่คือตัวที่เด็ตปัญหาความไม่มีเมืองพ อ, อทอันไว้ใจนั้นนั่นแหละปากนั่นเป็นปากสํา ค, คัญที่เกาะฟังแต่ร้อนให้โลกได้รับสีเวลา น, นี้ไม่ว่าจะอยู่บ้านนอกในเมืองไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันร้อนในกันทางลันถ้าผมมาพอควรแล้วเขาไม่ร้อนคนร้อนนีพราะอำนาจของพิเดตปัญหาความไม่พอน พันาานาทีกัญชาประมาณนาทีในนั้นไหนๆก็เทแม้เสมอ้วยที่เด็กปัญหาที่นอนอยู่ในทาณวินคราะห์ใจของคนในสัตว์ก็ตลอดเวลาอันนี้ไม่มีวันเบกบางมันไปเลยยิ่งได้เท่ายก็ยิ่งหิวยิ่งหดยิ่งโหดได้ามากเท่าไรแทนที่จะอิ่มอกอิ่ใจสบายใจไม่เป็นอย่างนั้นได้ามากเท่าไหร่ยิ่งอยากได้ไม่หยุดไม่ถอย ความอยากมันก็เป็นสิ่งรบกวนให้รับความคุดอยู่โดยนี้ก็ท่านอยู่แล้วถ้าหากว่าความอยากนี้จะพอให้เป็นความสุขบ้างคนเราเกิดมาก็ในทิศอ่านหน้าที่การงานมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีสิ่งของพอจับอากาศทาไมมันถึงไม่มีความสุขเพราะห้อยใจนั้นมีความอยากเป็นเครื่องรำคาญเป็นเครื่องทําลายอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ โลกไหนๆก็ตามถ้ามีความอยากความทเ ย, ยอทะยานบังคับหัวใจอยู่แล้วโลกนั้นต้องเดือดร้อนเป็นไฟตามอำนาจแห่งความอยากความอยากประเภทเหล่านี้มีไหมอยู่ในหัวใจของพวกเราความอยากประเภทใดก็ตามมันก็เป็นทุกข์ด้วยกันข้างนั้นขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วก็คือคือตัวที่เสนียดจันไรนั่นเองเราเลเห็นว่าเป็นของดีเราอย่าเสริมกดขีบงังคับแก้ไขกันไปเต็มกำลังความสามารถจะชื่อว่านักบวชและนักอฏิบัต ตารอยขกาบกระดาษพระพุทธเจ้าท่านรักษาโลกท่านวุ่นวายยิ่งเกินขนขวายเพื่อขอดถอนขีดปัญหาอาสวะแต่โลกเรายนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งเกินขนวายเพื่อกรอบโพยเพื่อสั้งสมขีดปัญหาครอบปูมหัวใจแล้วกระโบนกันเข็มโลกแสดงาไปที่ไหนไหนทั้งโลกนี่นหาผู้รับความสุขความสบายแล้วไม่มีเพราะเห็นอะไร ก็เพราะตันหาตัวเดียวนี้เอมันเป็นตัวติดขั้นความสุขความวเป็นิศทั้งหมดให้คนหิวคนอาหายจะตายไม่รู้ขัดเข้าจักแต่ไม่รู้สับ เ, เ ว, เวร่ำเมลาร์ลมดูลงหาจากตัวเองว่าจตัวจะดิบจดีไปเรื่อยแม้จะเข้าโลมอยู่ก็ยังว่าจะดีอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เรื่องของทั้ง ความคุณข่าระมุเต็มหัวใจนั่งหวังเอาความดีเรื่อยๆมันหลงขนาดไหนมนุษย์ม น, มนุษย์เรา่ขนาดประชดมันโง่ประาดมันไม่ได้ขนาดประชดใหญ่โตทะลายไปยิ่งไปใหญ่ละมูนื้อรูนตัวห่ดตายแล้วกระดูกที้งเดียวก็ไม่ติดตัวไปเวลาอยู่ในโลกก็ควนกันยุ่งกัน เราปพูกเนี่ยนเอาพูกเข้ามาในเนี่ยภายในวันหนึ่งที่เหลือตันหามันบนเราเท่าไหร่หนึ่งมีแต่คิดแ่ตันหาทางนั้นและควรจิตใจจึงถามความสงบร่มเย็นไม่ได้หาความผ่อไใสไม่ได้อันนี้ควรมากไหลตลับเวลาไหลออกไหลเข้าตัวนา่าไหลออกตะกั่นออกมาอคือจิตยะออกไปตะกั่นไปมาเขาตัวเอง เดีูกขเขียนเขาสีเขเครื่องสัมผัสต่างๆก็มาเผารวมติดใให้เดือดร้อนอยู่เสมอเวลาเรามาทาความเพียรมันเพียรอะไรเพียรสังสมที่รศหรือเพียรอะไรพระพเทธเจ้าเขาเพียรแก้ไขจีเรศแต่มีความทุกข์ความลำบากน้อยแต่มาเพื่อกระตุ้นความเยือกออกแบบรนางกายบรรดาตาวรบก็ดาเนินตามพระพุทธเจ้าท่านทรงทำท่านทาอย่างนั้นพวกเรามันป้อนความอะไรมันเดือดร้อนเดือดร้อนเพื่อสังสมจีรศมากกว่าจะ ตอบของจริตตามิริยาของค์ใจที่ชิดถี่ตลอดเวลาควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจิตใจถึงไม่มีความสมบงบเรื่องเยืนเกินขั้นๆตัดตามหลักของผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของผู้เจ้าการฝึกจิตฝึกใจใจเป็นของสําคัญเข้าท่าอยู่แล้ว ธรรมะทั้งหมดก็ลงสู่ใจท่านจึงสอนว่ามโนกุคลังคมาธรรมามโนเศร็จฐามโนมัอย่างนะไม่มีอะไรที่เป็นรับเป็นภาชนะสําหรับรับดีและชั่วยยิ่งกวดใจไม่มีมีใจลงเดียวเท่านั้นแตใจรับอันดีแล้วการระมาออกทางกายทางวาจาความคิดอ่านต่างๆก็ดีกันหนดถ้าใจไม่ดีแล้วระวะเอาตรงไหนมีแต่ปืนจับท้ายเท้าตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนกระมไม่มีที่สิ้นสุด มีขึ้นด้เพราใจตรงอาคันตั้ง อ, อกตั้งใจจิตใจเรามีคุณค่าตัวขงเรามีคุณค่าทิ้งอะ้รมีคุณค่าอะไรพอจะน่ะไปสนใจามาทําลายตัวเองหน้าที่ของไฟมันก็มีแต่ความร้อนหน้าที่ของเิเลสก็มีแต่ความรุ่มร้อนมีขึ้นมาน้อยไม่ได้รับความสะดวกสบาย สติปัญญาที่สอนอยู่เสมอควรจะเห็นบ้างยับยับยับยับมันไม่มีนั่นมันโง่อะไรธรรมาาชาผมสอบอัจฉรยะเหมือนกันโง ộ, ่จนอาชาชัจฉริยะผู้สอนอาชาชันนจฉริยะหลักจหรุดจะแตกอย่างอื่นก็ดีแต่ความโ ง, ง่เง่าเต่าุ้มเาไม่เคยคิดเขอ่านนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาเหลือเกินเดินไปไหนโด น, นตั้งแต่ขอนโง่ขอนเซอร์ อาหักไม่ระวังส้อนก็ว่าเราไปเต็มภูมิอ่ะร้อนใ ห, ผ ล, ใ ห, นใหผลาดให้คิดใหอ่านให้ใส่ให้รองมันไม่คิดทาก็เคยบอกอยู่เสมอว่ากิเลสจะหลุดพ้นหลุด อ, อกจากใจแต่ละชิ้นอ่านนี้หลุดจากกติกัจกกับปัญญานนะไม่หลุดออกไปก็พัางูก็ คีอด้เฉยแลวจะว่าอะไรอืมเดี่ยวหนึ่งปี้ววันนี้อะไมัน้นเป็นต้นเป็คนเป็ตังๆ เราไปนี่าตนาจะหมดแต่ทำมันเป็นอย่างนี้เหยียบย่าทางานให้ตัวเราเองทั้งคนอื่นต่างคนกันเป็นไปเองอ่ะโดยไม่มีจตนาหธรรมชาติมาทต่วว่าเราก็นักบวชนักปฏิบัติสมาส่งเสริมไปเขมาทํายาเนี้ตัวเ้อมีเจตนา เพระเจตนามัมหม้อบระที่เหลืทั้งหมดมันจงชิน ม, มีเจตนามีเจตนามันก็ไหลล้ำมันไปเรื่เยๆมันคล่องแคล่วอาจารย์เอกของโลกก็คือที่เหลือว่าอย่างนี้เราจะนองแล้วที่เหลือไปได้ต้องยอมดำรงนั้นมดใครจะมีความรู้สูงต่ำมากน้อยแต่อย่างไรก็มาเป็นเครื่องมือของที่เหลือมันมันทางการทางนาน ทำมาควรที่จะทำละยึดควรที่จะขับการพิเด็ตออกทั้งหมดมันมีความสามารถเพราหน้าของความหวาแดวนเป็นตัวพิเด็ดกันหนึ่งเหมือนกันมันมัคับมันชามันหลอกมันล่ออยู่นั่นแ่ละหลงกลมายางมันทั้งมันทั้งคืนแต่นั่งไม่ทราบว่าจะของหลงกลมายาของเ ถ้าจะเก่งจรงเรานี้มีไหมนักบอกบาบอกเบอร์มีไหมอยู่ในนียมาจากที่ต่างๆถ้าเก่งจริงก็ไปล้มรัฐบาลมั้งดิมีไหมกรรมฐานแถวนี้มาหลายวัฐบาลมาดูมีองค์ไหนเก่งงเก่งไหมทางนั้นนั่นหรือทางเดินของพระ แต่โลกเป็นของนไม่เมลินทดดี่ตัวสังขารประใจหลอกถ้าหน้าดงเขายิ่ง ก, กงับผีมมอยู่ต า, านรางทางของพระของเงนไม่อยู่หาตลาดภาในทางไปคิดขายหลอกรวงเขากินเหมือนกับผีก็เปลือก เหมือนพระคนมานนหน้าถือคาเขาเหมือนว่าได้ร้อยหน้าพันหน้ามันก็หน้าผีหน้าเดียวเองที่หลอกโลกพวกทีก่นนะั่นมันจะเป็นหน้าไหนหน้าพระหน้าเนินที่ไหนมันหน้าผีหลอกเขากินมีท่าทราบว่าองค์ไหนเป็นแล้วจะเข้ามาตำแนักนี้นไม่นด้ มันหวังประโยชอะไรถ้าเกินก็ทายพัวใจจะของดูที่มันเป็นยังไงขนาหนึ่งขนาหนึ่งมันมีพี่เด็กกี่ร้อยกี่พันตัวมันผิดแม่ผิดลูกออกรูกหลานเต็มอยู่ในหัวใจจนคับไปหมดหายใจก็ไม่ออกเพราะพี่เด็กันหายมันเกิดมาเพราะอะไรอะไรพามันเกิดก็ดูลงไปที่ถ้าเกนจะไปดูแบบดูเปดู้าที่ไหน คนมาขึ้นม า, มากๆโอ้ดีใจจมูกเอาลงสีพ้งมันบูดลงสีมากาบไหว้ยังไม่ทราบแรลงมันมาตอมตาเน่าตอมทักเน่าทราบแล้วมีใครหรือใครก็ไม่ทราบมันเป็นเรื่อง การนั้นขันต่อใช่ไหมกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ห้ า, หามนะสิ่งกฎหมายบ้านเมืองเขาเขาไม่ห้ามหลักข้อใดก็ห้ามใ <ừ. S 1> น, นเรื่องของค้าเมื่อไหร่อยู่ก็บกูาจั ง, ง, งจองยู่เวลาเติมเติมเต๋อเติมผีเลยนั่นนะมันไม่มีล่องมีรอยของกูวาจางัง ที่สุดนิดเลยมั่นแหวกเนี่เจนกบคู่แทงหน้าแจงหลังมันเข้าใาจรงหาวาไวที่เสียเลยนะกวางแสงหน้าแจงหลังัวกี่พวด ท, ทีในสิ่งที่เร็วตามที่สุดเกี่ยวกับักษณะพฤติรรมไม่สนใจ กองกำลังเป็นของจริงที่มาแล้วอยางนี้ของจริงที่ตัวเองก็เห็นเต็นของกองใคยๆก็เห็นเป็นของกองไปแ ล, แ ล, ล้วเน่ะมีแต่ของกองเป็นของจริงเสร็สรรพตั้งยอกันสิ้นเพอย์ไปล ง, ลงลกังนไปทั้งโลกทั้งธรรมท้าศาสนาทั้งตกของฐาน ม, มันเป็นไปตามกันแล้วอานี้ถ้าคิดไม่เร็วขนาดนั้นมันทําไมจะไม่รู้ของจริงของกองทำไมจะไม่รู้ว่าของอันไหนผิดอนีหนถูก หูปิดตามันต้องรู้อาจารย์ไม่เร็วเกินเหตุเกินผลเกินจิตเกินแดนเลยความเป็นมนุษย์เลยใจมนุษย์มันต้องทราบจถูกมีชั่วบุญบากมันต้องทราบเจอ้พิ่นปั้ น, น, นเพิเรองเอออะไรมาก็เออเอไปหมดถ้าตกเลยก็เขาว่าอีกเดี๋ยวรเออเขาไป มันน่เกิดมันเดินยิ่กว่าจะอะไรมาเย็นโลกธรรมีธรรมอยู่ในใจเราเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเย็นจะเย็นด้วยทับสมบัติเงินทองบูลค่าฐานแจ็สตรเราอยากเข้จายวัาจะเย็นดีไมดีของอันนี้ก็เป็นเครื่องมืเผาโดยเป็นไฟเผาถูของถ้าใจมันร้อนแล้วใจมันเป็นไฟแล้วอะไรเข้ามาก็เป็นเชื่อไฟหมดระวัง เราลองไหม้สดนิยนเข้าไปในกองไฟนี้มันก็กลายเป็นเชื่อไฟไม่ได้หมดเพราะส่วนใหญ่มันเป็นไฟอยู่แล้วภายในกตาหัวใจมันเป็นไฟอยู่แล้วอะไรนั้นก็เป็นไฟไปหมดใจไม่มีธรรมก็ร้อนเวิกมามากับช่วยามำสม่ำเสมนรักษาตัวอย่างไรจะดีก็ช่วยย้ำ มันจะยากแค่ไหนมันเลยตายเหมือนกันักปฏิบัติต้องเล่นเห็นเลื่อนผลถึงเวลาหนักหนักมันลงไปตาก็ตายตายด้วยการทำดีนั่นมีอะไรเสียหายถึงเวลามันจะหนักมันก็ต้องหนักถึงเวลามันเบาก็ต้องเบามันตองงานต่างๆนั่นเองถึงเวลาที่หนักจะปล่อยเสียมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร สว่างแล้นสิไปเอาธรรมญาอธิบายมานั่งฟั